มุตั้งใจฟังงานโยมอตั้งใจฟังคือการพวกเฮามันต้องมีจิตใจหนักแน่นการงานึ่งทุกอย่างถ้าหากเขาบ ม, มีจิตใจหนักแน่นการงานก็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 พอพอใจในการในงานของเขาจึงบอกเมื่อยโบทุกถ้าหากเขาโบพอใจแล้วคือการงานนั้นโบเขานะ้าหน้าเขาไปทํากับเมื่อยเพราะเขาโบได้รักงานานั้นโบพอใจในงานานั้นเมื่อยนกขนิกเหนื่อยเมื่อยลามีแล้วที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 ถ้าหากคนใดรักการรักงานนี้กินน้อยนอนน้อยพูนยดน้อยการงานสิ่งที่เราสอทํามาอันนั้นเรียกว่าดัดแต่งนิสัยใครกันเมิดทุกคนครับบอกว่าหยิงบอกว่าสายบอกว่าพระสงฆ์องค์นงครับเป็น น, นิสัยานถ้าหากเขาได้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 เรื่องตัวเขาออกจากทุกข์จริงๆทุกนั้นเขาเข้าไปยึดมันเข้าไปถือมันแบกบหากอยู่มันก็เลยถุกขครับถ้าหากเขาโบไปยึดโบไปถือมันโบแบกโบหากมันปงมันมทิ้งผมชุกข์เกิดขึ้นมาแท้ๆเมื่อวานนี้ มีผู้อำนวยการขขอมเจ้าบุคบุญให้จังเจจะให้ลูกน้องขาเจ้ามาแล้วต่อครังขาเจ้าได้อ่านหนังสือของพวกทาของเนีขาเจ้ามีข้อสงสัยเรื่องการเจริญสติกับทำสมาธิ พวกหอกจําไว้วมันดีครับอันนี้เป็นการพูดตอบปัญหาของคนกแก้ปัญหาของคนตัวเจริญสติเจริญสมาธิหรือทํำสมาธินั้นโบต้องทำนะครับแต่พอเคลื่อนไหวให้มันหูมืออันหูมือนั่นแหละครับเป็นสติเป็นสมาธิคนหอกเคลื่อนไหวโบหูมือ ที่ไปทําสมาธิอยู่เท่าไรกับบูมีสมาธิที่ไปนั่งภาวานาอยู่เท่าไรอะไรก็บตั้งสามสาบูมีสติเขาเป็นบูฮุ่เมือ่อโตเลยดิครับภาษาธรรมะเพ่นเรียกว่าโมฮะภาษาบ้านเขาเรียกว่าหลกตัวลืมตัวบกกำหนดตัวเองดังนั้นคนมันจึงทำไปตามใจสอบมักจากเหตุยากจะเห็ุไป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 ตัวอยู่เห็นไหมมนต้องคุณมีสติเนี่ยนั่งการทําการพูดนั้นจรงอบุคคลขาด ผ, ผิดจะมีคมลักตัวเองอยู่เสมอสอบในการงานของเขาสอบกิริยามารยาทของเาขาพราะเฝึกอย่างสั้นเนี่ยคนจี่มันบุคคลสอบฝึกตัวเองก็ได้ น, นิสัยตัวเองเมื่อไปทําการทํางานสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นเกิดบุคคลใจ มีความทุกข์ความเซ็งคนว่าสมัยนี้ว่าความเซ็งบ้านผมเรามีความทุกข์ความเดือดร้อนสับสวนวุ่นวายเพราะบราฝึกหัดตัวเหงาเฮ็ดหย่างย่านเต็นนิดเหนื่อยเมื่อยลาโบย่านน่ะมันเมื่อยครับมันเมื่อยเพราะว่างานมันบบแลียออกไปจากที่เขาไปอยู่กับสังคมการเดือดร้อนเพราะว่าเหงาเอาใจใจเหงา ถ้าหักเขาวางภาระทิ้งหมดทำงานเพื่องานซื้อๆอย่างที่ผมว่าทำงานเพื่องานผมไม่ทำงานเพื่อตัวเขาได้ทำงานเพื่องานหรือทำเพื่อตัวฮาวกาแมนทำเพื่อเพื่อเพื่ อ, อนฝูงประเทศซานบ้านเมืองกาแมนทำซื้อๆนี่เป็นหน้าที่ของคนมันต้องทำงานทุกคนเพราะมันกินเรื่องคนมันกินมันนอน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 กับธรรมศาสตร์ของมันผมได้ทำมาแล้วเรื่องมูนีครับพอสมควรเรื่องพุทโทรธธรรมโม阿拉หังพองยุกนับหนึ่งสองสามอาณาปานาสาติเป็นอยู่ครับสงบอยู่ศึกษาธรรมศาสตร์แบบนักกุูกอยู่แต่มันบวกเขาใจแบบที่ผมจะนำมาเล่าสู่ฟังเมือ น, นี้นั้น ศึกษาธรรมชาตรทำสมาธิกับธรรมศาสตร์เป็นการเจริญสติกับธรรมศาสตร์คือมันเคลื่อนไหวโดยวิเธีการรู้สึกตัวควมรู้สึกตัวนั่นแหละครับเป็นสติเป็นสมาธิเป็นธรรมชาตร์ของมันสั้นให้มันเห็นธรรมศาติของมันสั้นจริงๆครับโอ้ธรรมศาสตร์ของสัตว์ธรรมศาสตร์ของคน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 ดังนั้นเม็ดข้าวทุกเม็ดผมว่าเม็ดข้าวบรรพุมทางภาคกลางอาจจะเม็ดข้าวจะเป็นข้าวเจ้ากระสางขา้าวเหนียกระตามถ้าเป็นข้าวอ้วนข้าวเต๋งเป็นข้าวเปลือกครับเอาไปพเพาะไปปลูกแตกปัดทุกเม็ดออกหน่อมัดทุกเม็ดถ้าไปเพาะไปปลูกใส่บนซุนบนย็นถ้าไปเพาะไปปลูกบนมันแห้ง บ่นมันโบนมีน้ำอาจีบออกกันได้หรือก็ น, นานออกกันถ้าไปปลูกใส่บนเตาไฟบนหัวหนังไฟไม่สำครับดังนั้นการฝึกการอบรมถ้าทำาบทุกแล้วก็ทำนานครับเสียเวลาถ้าทำทูกแล้วก็ได้ผลดีครับเมื่อหูวจากสมมุติแล้วก็บุติดสมมุติในแท้ขยุกับสมมุติครับ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 บสถ์หมายถึงบสถวิหารอย่างเดียวเด็ดมันหมายถึงคํา ส, สอนสอนโตคนโตรจริงมันด้แค่คือโตคนนั่นแหละเป็นตัวาศาสนาตัวพุทธาศาสนานั้นตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาต่าะๆดังนั้นาศาสนาพีจึงมีาศาสนาเทวดาก็มีาศาสนาเลือกงามยามดีเป็นาศาสนาทั้งมืดมูว แล้วศาสนาคิดศาสนาอิสลามศาสนามหมัทธิ์นาวากับสมัยนี้แล้วก็ศาสนาพุท ธ, ธแต่ความจริงตัวศาสนานี่ยมันทูกสมมุติว่าไปซื้อถ้าหากเป็นปรามาภิษฐ์ก็คือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาฝึกหัดดัดนิ่ใส่เหาพูกกับธรม ร, นนธธรมศาสตร์นั้นแหละตัวพุทธศาสนานผมเข้าใจอย่างสี้รับ เมื่อรู้จักศาสนาแล้วก็รู้จักบาปเลยพอดีรู้จักบุญโหลยบาปคือยั้งบาปบาปนั้นถึงที่ทาบุ ญ, ญกฐาตมสร้างทําสัวพู้สัวคิดสัวเป็นบาปโหลยบาปมันอยู่ขุนเหมือนว่าเห็นเป็นตัวเปวเป็นโ ต, นตครับทําบุ ญ, ญกฐาตมสร้างนี่ครับมีเอาอยู่ทํากรรมฐานก็าตามทําวิปวัสสนายุกตามเป็นบาป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 ตายแล้วไปใส่ผูจ้จิตวิญญาณโบรู้สึกแน่นี่แหละบาป บ, บุญมันหู้จักอยู่ที่ครับเพราะยัวมีตาทิพหูทิพมันอยู่ที่นี่เลครับโบมีไก่จักน้อยที่เียมูู่้จักอันนี้แล้วก็มดสงสัยเรื่องผี่เรื่องเทวดาเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเปรตสัตว์เดรัจฉานตละขายนี่ผมัดเทะครับโบมีทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้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 กิเลสมันชอบอยู่กับสติปญัญญาก็มีด้วยครับอเนี่ยให้หู้จักแบ่งสัรชนะกันกิเลสมันชอบอย่างไงมันซอบไปตามใจมันมันอยากเห็ดอยา่อยางมันเห็ดไปนะครับอื้อกิเลสกิเลสแน้นจริงว่ามันทุกเมื่อมีคนตําหนิแล้วปุ๊บยึกถือขันธ์ในกิเลสทุกขบัดนี้สติปญัญญาได้สติปญัญญา้นบุหัวซาพขรู้จักสมมติเลย เรารู้จักวิธีทําทุกแง่ทุกมุมแล้วนี่พเนาว o r รู้จักเลยเอาไปใส่กับการทางานในทุกอยากามมา่างธรรมะเนี่ยแต่ว่าให้ระวังแต่ว่าผน ร, รู้นั่นมายถึง ท, ทผิดด้วยคำพู่ถ้าทําผิดแล้วบ่มีโอกาสบ่มีเวลาคือเล็ข้านเนี่ยเนี่ยเขาเอาไปเพาะใส่ไปปลูกใส่เตาไฟแล้วบ่มีเวลาที่ได้ปล ง, งางแล้วบางทีไฟไหม้ซ้ําำ อันนี้คือกัน่ะทำให้เป็นนานๆนนก็ตายซ้ำกระมี้ครับมัมีโอกาถ้าไปเพาะใส่บนซุ้มบบเย็นได้ไหมคาวนนหนึ่บนน้ำแตกดอกออกผลมาลูกจริงๆคนเฮอคือกันถ้าฝึกหัดดัดนิดสัยดีๆแล้วอยู่กับผู้ที่สละผู้รู้จริงๆเนะี่ยก็ได้ประโยชน์จริงๆเป็นไปใช้ปับชีวิตได้จริงๆ ยนั้นต้องหลักการหลักงานหลักคำพูดหลักหน้าที่ของเราทำงานจึงบอิบ่บบวมือยคนใดบรักการบูรักงานแล้วก็มื่อ่ยิ่ทำในน้อยกว่าทำหลายเ ป, เป็นอย่างว่าวัตตะสงสารยืดเหยานานเป็น่ว่าคน ธรรมดาเขาที่่าตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมุดแดงตาตขบดง้งอาจารยบ้านขบมานว่ยอึนวัตสงสารคือมุดแดงไตขบดง้งนี่ยโบมีทางออกวนเวียนอยู่ออันนั้นเป็นวัตส่งสารของคนโบรูวัตสงสารแบบพระพุทเจ้านี่โบมีทั้ครับหมายถึงควมคิดในโลกุติมันคิดดวงสันตลอดเวลารัา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 มันเป็นเงาสันบันดนี้ผู้ใดนอนหลับอยู่เป็นคนนอนหลับแพดเดียวหุงรถตื่นหนึ่งรื่งสองตื่นนั่นน่ะหุงแล้วก็ไอ้หุ ง, งายเทนนอกประวันนี้มันจึงผิดกันเงาสานคุณไม่ใช่ทําทงานมันผิดกันไม่ได้เป็นว่าเอิ้นวัตตะสงสารทั้งมื่อสําหรับผู้นอนบัหลับนานๆหุงนั้ น, น, น, น, น, น, นแก่คนนอนหลับดีอยู่ดีกินดีนั่นน่ะหุงไ ง, งเป็นเงาสัน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 คนที่เมื่อยเดินไปคนก็หอดเข่ากันคนที่โบเมื่อยเดินกไปคนแต่ว่าผู้ได้ไปยึดไปถือนั้นคนว่าหางยาวไก่เพราะคนเดินทางเหน็ดหน่วยเมื่อยล้าคนว่า ถ, ถ้าหากเขาบบเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปโดยความสบายพูดไปคุยไ ป, ไ ป, ไปรู้สึกตัวไปอยู่กับการกระทําของเขาไปแป๊เดี๋ยวกอนห ด, ดสิบสองชั่วโมงนี่ปึ๊บเดียวตรงนี้นครับจะนั่นจีว่าให้หลับ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 กพยอดศึกษากับธรมรมชาติของมันจริ ง, รงๆธรมรมชาติมันสร้างให้แล้ ว, ย อ, อ, วอย่างโมคุณนางฟังผมว่าอย่างนีถามม่งตอบให้ฟังเลยเป็นยังไงจิตใจของโมคุณเดี๋นี้เสื่อๆอยู่เอ้อาผู้ใดเป็น ย, ยังไงมาไม่รู้เมื่อาเป็นในจิตใ จ, ใจ เสื่อเส่อเยอะไหตุยังไหนให้มันนี่แหละเขาธรรมศาตรมันสร้างให้จริงจริงแล้วทําการทํางานจินได้บ่ขันมันเสื่ อ, ส อ, ส อ, อย่างเสียแล้วจีนจีบเมยงงบ่เนี่ยเรื่องยัางบ่ยากเหตุยังบ่ายากศึกษาเป็นอย่างเพราะเขาบอกเข้าใจขาเขาบอกเข้าใจเมื่อเขาบอกเข้าใจแล้วก็เลยเกิดความโลูขึ้น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 บันนี้ทางเหยาวเห้าวันนี้คิดมีแต่เมื่อยมากันนานทอดนานถึงบันนี้ถ้าหาวทำเมืองซีอยู่เดือดบเหยาวบสั้นโบยืนบนเนยมันเสียเซ้ออยู่นี่ลักษณะนี่แหละของวิชาพนักพูนศึกษาพูนขัดรู้แล้วก็ต้องสอนกันวันนี้พุทธศาสนาคําสอนของพุทธเจ้านั้นจะเจริญงอกงามขึ้นไปก็ต้องอาศัยบริษัทซีวันนี้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 อยู่กินไปขนาดท่าบดเป็นพระเป็นหนึ่งก็กินไปขนานดะเรื่องการทําบุญให้ฐานนั่นนะโคจิว่าทําบุญให้เลือกวัดจับบาสให้เลือกพระอันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่บ้านผมคนสอนที่เป็นเลือกได้ย่างไดของเห็นย่างไดเขาจึงหูจักบุหูจักผมบุหูจักพอเมีสอนเราทำบุญให้เลือกวัดจับบาสให้เลือกพระเนี่ยบุยย ห, หจูจั ก, จ ก, จกออเ ล, กกเลกกเยมีวัดแล้วก็ทําบุญไปร่วมพระแล้วก็เห็นก็ทําบุญไปร่วม บุคคลเลือกบริษัททีซีบริษัทคนนี้เข้าใจสราบซึ่งตึงใจตัวเองแล้วอย่างนี้นะคำสอนของุทธเจ้านโบ๊